ที่คร์ลดของเขาน้าอ่าวออยสเตอร์จะประหลาดใจในความรู้ของเขาซึ่งมีขอบเตขตกว้างขวางและแปลกแ ป, ก แ, ปกแตกต่างกันจะเป็นค่าวบอยหรือนักขี่ม้าพยศจะเป็นนักการเมืองชาวนิวยอร์กหรือนักการทูตกามาเรียเลแบ็กเฟิร์ดเขียนไว้เช่นนี้รดเวลรู้ว่าควรจะสนทนากับเขาถึงเรื่องอะไรเขามีวิธีอย่างไรหรือคาตอบง่ายมากเมื่อรดเวลนัดหมายที่จะพบแขก ในตอนกลางคืนเขาจะนั่งศึกษาอยู่จนดึกถึงเรื่องที่แขกของเขาสนใจเป็นพิเศษทั้งนี้ก็เพราะโรสเวลรู้ดีทำนองเดียวกับผู้นำทั้งหลายย่อมรู้ดีว่าหนทางอันกว้างขวางที่จะไปสู่ความพอใจของผู้อื่นก็คือการสนทนากับเขาถึงสิ่งที่เขาถือว่ามีค่าสูงสุดสำหรับเขาวิลเลียมไลอันเฟลผู้มีอารมณ์แจ่มใสยอยู่เป็นนิดเคยเป็นศาสตราจารย์สอนอักษราศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเยลมาก่อนได้ศึกษาบทเรียนนี้ตั้งแต่ครั้งเยาว์วัยเมื่อข้าพเจ้าอายุ8ปีและใช้เวลาพักผ่อนวันเสาร์และอาทิตย์ด้วยการไปเยี่ยมเยียนป้าลิปปีลินสล์ลีที่บ้านในเมืองสเตรทเฟิร์ธออนเฮาส์สตอร์นิกวิลเลียมไลอันเฟลเขียนในความเรียงของเขาเรื่องธรรมชาติมนุษย์มีชายอายุกลางคนผู้หนึ่งมาเยี่ยมป้าในตอนเย็นและหลังจากถกเถียงกันถึงเรื่องบางอย่างกับป้าอย่างสุภาพเขาหันความสนใจของเขามาที่ข้าพเจ้า ตอนนั้นข้าพเจ้ากําลังคลั่งคล้าหลงใหลเกี่ยวกับเรือบดและแขกผู้นี้จนข้าพเจ้าคุยถึงเรื่องเรือบดซึ่งทําให้ข้าพเจ้าได้รับความสนใจอย่างไม่มีสิ่งใดเปรียบภายหลังเขาลากลับไปแล้วข้าพเจ้าพูดถึงเขาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาช่างเป็นคนน่ารักอะไรอย่างนั้นเขาช่างสนใจในเรื่องเรือบดเสียอย่างมากมายเหลือเกินป้าบอกข้าพเจ้าว่าชายผู้นี้เป็นทนายความอยู่ในนครนิวยอร์กและเขาไม่ได้สนใจในเรื่องเรือบดเลย ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้แม้แต่เท่ากระเพกถ้างั้นทําไมเขาถึงพูดถึงเรื่องเรือบทตลอดเวลาแล้วครับป้าเพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษสิจ้าเขาเห็นหลานสนใจในเรื่องเรือบทเขาจึงพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะเขารู้ว่าหลานจะต้องสนใจและพอใจเขาทําตัวให้เข้ากับหลานได้ไงละ่ะและวินเลียมไรอันเฟลได้บรรยายต่อไปข้าพเจ้าไม่เคยลืมคําพูดนี้ของป้าเลยขณะข้าพเจ้าเขียนบทนี้ ข้าพเจ้ามีจดหมายจากเอ็ดเวิร์ดเอลาลิฟผู้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านลูกเสือวางอยู่บนโต๊ะเบื้องหน้าข้าพเจ้าวันหนึ่งผมมีความจำเป็นที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นมิสเตอร์ชาลีฟเขียนเช่นนี้เนื่องจากจะมีการประชุมลูกเสือสากลครั้งใหญ่ในภาคพื้นยุโรปซึ่งผมต้องการส่งลูกเสือคนหนึ่งไปร่วมการประชุมนี้ผมจึงตั้งใจจะขอร้องให้ประธานของบริษัทใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐ เป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางให้นับว่าโชคดีอย่างยิ่งก่อนผมจะไปหาท่านผู้นี้ผมรู้ข่าวว่าเขาเขียนเช็คฉบับหนึ่งเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านเหรียญแต่แล้วเขาขีดค่าเช็คฉบับนั้นเอามาใส่กรอบแขวนไว้สิ่งแรกที่ผมกระทําเมื่อเข้ามาในสำนักงานของเขาก็คือขอร้องเขาให้ผมมีโอกาสเห็นเช็คฉบับนั้นเช็คราคาหนึ่งล้านเหรียญผมบอกเขาว่า ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังว่ามีใครเขียนเชคเ็คราคามากมายอย่างนี้มาก่อนเลยและผมจะไปคุยอวดกับพวกลูกเสือว่า yorum. ผมได้เห็นเช the ну <kr> ็คราคาหนึ่งล้านเหรียญมากับตาของผมเขาเอามาให้ผมดูอย่างเต็มอกเต็มใจผมแสดงอาการติดเนื้อต้องใจและถามเขาถึงเรื่องราวที่เช็คใบนั้นเขียนสั่งใจท่านสังเกตหรือเปล่าว่ามิสเตอร์ชาลีฟมิได้เริ่มต้นพูดถึงเรื่องลูกเสือหรือการประชุมลูกเสือสากลในทวีปยุโรป หรือในสิ่งที่เขาต้องการเขาพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งสนใจผลปรากฏดังนี้ครั้นแล้วในทันทีทันใดเขาพูดขึ้นเออนอกจากนี้ท่านมีอะไรอีกไหมที่มาหาผมผมบอกความประสงค์แก่เขาผมได้รับความประหลาดใจอย่างยิ่งมิสเตอร์ชาลีฟเขียนต่อไปในจดหมายฉบับนั้นเขาไม่เพียงแต่ยอมตกลงช่วยเหลือตามที่ผมขอร้องหากเขาช่วยเหลือยิ่งไปกว่านั้นอีก ผมขอร้องให้เขาช่วยออกค่าใช้จ่ายสำหรับลูกเสือเพียงคนเดียวในการเดินทางไปยุโรปเขากลับออกให้ห้าคนและสำหรับตัวผมอีกคนหนึ่งต่างหากในจดหมายเครดิตเพื่อเบอิกเงินทางโน้นจำนวนหนึ่งพันเหรียญและสั่งให้พวกเราอยู่กันในยุโรปได้เจ็ดสัปดาห์นอกจากนั้นเขายังเขียนจดหมายแนะนำผมกับประธานของสาขาบริษัทในที่ต่างๆของเขาแจ้งให้ช่วยเหลือพวกเราเท่าที่ควรและตัวเขาเองเดินทางไปพบเรา ที่กรุงปารีสและพาเราเที่ยวทั่วทั่วนครนี้จากนั้นเป็นต้นมาเขาให้งานแก่ลูกเสือบางคนทำลูกเสือซึ่งผู้ปกครองอยู่ในฐานะลำบากขาดแคลนและเขายินดีช่วยเหลือเราในสิ่งต่างๆอยู่ประจำแต่อย่างไรก็ตามถ้าผมไม่ได้พบความจริงว่าเขาสนใจในสิ่งใดและไม่ได้ชวนเขาพูดถึงเรื่องนั้นเสียก่อนผมคงจะไม่มีโอกาสเข้ากับเขาอย่างง่ายๆแม้แต่หนึ่งในสิเทคนิคนี้จะอานวยประโยชน์อันมีคุณค่า ถ้านำมาใช้ในวงธุรกิจหรือเปล่าจะใช้ได้ไหมเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าขอเล่าเรื่องของเฮนรี่ยีดูวอนอยแห่งบริษัทดูวอรนอยและลูกซึ่งเป็นบริษัททําขนมปังชั้นสูงแห่งหนึ่งในนิวยอร์กมิสเตอร์ดูวอนอยพยายามขายขนมปังให้แก่โรงแรมที่มีชื่อแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กเขาไปหาผู้จัดการโรงแรมนี้ทุกๆสัปดาห์ตลอดเวลาสปีเขาไปในงานสังคมต่างๆซึ่งผู้จัดการผู้นี้ร่วมอยู่ด้วย เขาถึงกับเช่าห้องอยู่ที่โรงแรมนี้เป็นการประจบเพื่อจะได้ติดต่อขายขนมปังแต่ผลก็คือความล้มเหลวครั้นแล้วด็อกเตอร์ดูวานอย์กล่าวหลังจากศึกษาวิชามนุษยสัมพันธ์ผมตกงใจเปลี่ยนยุทธวิธีของผมผมตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงว่านายคนนี้สนใจในสิ่งใดสิ่งใดบ้างที่เขาเห่ออย่างแท้จริงผมรู้มาว่าเขาเป็นสมาชิกของสมาคมเกี่ยวกับพวกดาเนินกิจการโรงแรมซึ่งชื่อว่า สมาคมโฮเทลกรีเตอร์แห่งอเมริกาเขาไม่เพียงแต่เป็นสมาชิกของสมาคมนี้แต่อย่างเดียวหากจากความกระตือรือร้นอันแท้จริงของเขาช่วยส่งเสริมให้เขาได้รับตำแหน่งนายกของสมาคมนี้และเป็นนายกของสมาคมประเภทเดียวกันชื่ออินเตอร์เนชันแนลกริเตอร์เมื่อสมาคมที่กล่าวแล้วมีการประชุมกันณนะที่ใดก็าตามแม้จะมีภูเขาทะเลทรายหรือทะเลขวางหน้าเขาจะต้องบินไปร่วมประชุมด้วยจนได้ดังนั้น เมื่อผมพบเขาในวันรุ่งขึ้นผมจึงสนทนากับเขาถึงสมาคมกริตเตอร์ผมได้รับผลสนองอย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นผลที่ไม่น่าเชื่อจริงๆเขาคุยกับผมถึงเรื่องสมาคมกริตเตอร์เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเสียงของเขาสั่นด้วยความกระตือรือร้อนและปราบปลื้มทั้งนี้ผมรู้ได้ชัดเจนว่าสมาคมนี้คือสิ่งที่เขาสนใจอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่เขาหลงไหลอ ย, อย่างดูดดื่มยิ่งกว่าสิ่งใดในชีวิต ก่อนผมจะลาจากสำนักงานของเขาผมสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ตลอดเวลาผมไม่ได้พูดถึงเรื่องขนมปังเลยรันต่อมาอีกสองสามวันหัวหน้าฝ่ายสเสบียงของเขาที่โรงแรมโทรศัพท์ถึงผมให้ผมนำตัวอย่างขนมปังพร้อมด้วยราคาไปให้พิจารณาผมไม่รู้ว่าท่านเดินแต้มอย่างไรกับนายของผมหัวหน้าสเสบียงของเขาพูดกับผมอย่างชื่นชมยินดีเขาจึงตกลงที่จะให้ท่านเป็นผู้ส่งขนมปังโปรดลองคิดดู ผมไปหาเขาและชักชวนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเวลา4ปีเพื่อให้เขาตกลงติดต่อในการค้าและผมจะต้องทำเช่นนั้นต่อไปอีกถ้าผมไม่ยอมทนลำบากค้นหาความจริงว่าเขาสนใจในสิ่งใดและเขามีความสุขในการสนทนาถึงสิ่งใดดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ผู้อื่นชอบท่านกฎที่หมีดังนี้สนทนาในเรื่องที่อีกไปหนึ่งสนใจ